ความสุขความเจริญแห่งศินแห่งธรรมจงมังเกิดขึ้นกับคุณครูและนักเรียนนักศึกษาทุกๆ ท, ท, ท่านเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปจะน้อมนำเอาธรรมะ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกขึ้นมาบรรยายขายายความเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและสัมมาปฏิบัติเป็นลำดับสืบต่อไป สมดังธรรมภาสิตว่าอริโยอัดถังคิโกมัคโคเสยยถีทางแปลเป็นภาษาไทยได้เจ้ความว่าหนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐเป็นทางเดินของจิต เป็นทางเดินของกายเป็นทางเดินของวาจาใครใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย เ, เขาเรียกอริยมรรคมีองค์แปดเนะี่ยไปดำเนินชีวิตชีวิตบุคคลนั้นจะมีแต่ความสุขความจเจริญเจริญเจริญ เจริญจริงๆข้อแรกพระองค์ทรงบอกว่าให้เกิดเห็นด้วยปัญญาว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่หมายความว่าเห็นถูกต้องั น, นก็มีสามระดับระดับต้นระดับกลางระดับปลาย เห็นถูกต้องเห็นยังไงเห็นว่าชาตินี้มีจริงเห็นว่าชาติหน้ามีจริงเห็นว่าชาติที่แล้วมีจริงอันนี้เห็นถูกต้องเบื้องต้นนะท่านทั้งหลายเห็นย่างไรเห็นว่าพรุ่งนี้มีจริงไหม มีหรือไม่มีเยยบเลยเวลาหลวงพ่อถามต้องตอบลุกเพื่อจะได้ทำความเข้าใจไม่ใช่อะไรหรอกผิดถูกไม่ว่ากัน<ม>เห็นว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมตราบใดวันพรุ่งนี้มีชาติหน้ามีไหมใช่เห็นไหมสมมุติ เป็นอุปมาอปไมยเฉยเฉยว่าพรุ่งนี้มีชาติหน้าก็ต้องมีวันเมื่อวานนี่มีจริงไหมมีไหมชาติที่แล้วก็ต้องมีเนี่ยท่านอุปมาปรปไมยไว้เช่นนี้วันนี้มีจริงไหมชาตินี้ก็ต้องมี เนี่ยชาตินี้เดี๋ยวเนี้ที่เรานั่งกันอยู่ฟังกันอยู่เนี่ยนี่คือความเห็นที่ถูกต้องเบื้องต้นเห็นว่าคุณของทานมีไหมคุณของศีลมีไหมคุณของสมาธิมีไหมคุณของปัญญามีไหมสวรรค์มีไหมนรกมีไหม พรหมมีไหมนิพพานมีไหมเห็นไหมมีทั้งนั้นน่ะที่พระองค์ทรงตัดไว้ในตู้เขาเรียกตะก้าใส่คําสอนทั้งหมดแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธธรรมะทั้งหมดออกจากไหนออกจากใจแล้วจะดับที่ไหน ดับที่ใจจำไว้นะเราจะรู้อะไรก็แล้วแต่ออกจากใจหมดที่หลวงพ่อพูดนี่ออกจากใจแล้วออกจากปากออกจากใจด้วยแล้วก็ส่งมาที่ปากเห็นไหมนะนี่เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น นาโกนรกคือนาโกนาโกเราต้องถางไหมต้องถางต้องไถต้องคาดไหมจึงจะปลูกข้าวได้งามจริงไหมล่ะเน่ยถ้าไปปลูกข้าวที่นากลกๆแบบนั้นไปได้กินหญ้าที่ไม่ได้กินข้าวหรอเนี่นรกแปลว่าอา่ะใบ คำว่าไปแล้วไม่สบายเช่นโยมไปโรงพยาบาลในสบายไหมไม่สบายไปโงพักสบายไหมเห็นไมะ่ะไปติดคุกติดค อ, อกสบายไหมนี่เด็กเขาเรียกอบายไปแล้วไม่สบายนารกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉาน นรกแปลว่าห่วงเหวของความทุกข์นรกบนดินก็คือใครมีทุกข์มากคนนั้นอนะตกน ร, รกแล้วตกน ร, รกบนดินยังไม่ตายก็ทุกข์แล้วบางคนทุกข์ถึงขั้นผูกคอตายมีไหมโดดน้ำตายมีไหมฆ่าตัวตายมีไหมนั่นแนะ่ะมันไม่มีทางออก ถ้ามันมาวัดรรบัะมันเป็นบุญสักสิบวันเนี่ยโอ้โหมันจะข่าตัวตายไหมเพราะมันมีทางออกมันรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านารกแปลว่าทุกข์พูดแบบรวมๆนะนรกเปรตเปะตะตัวนี้เขาเรียกเปต ะ, ะพีเคยเห็นรูปตามงานวัดไหม พุงโตปากรูเท่าเข็มไหมนั่นแหะเ้าเรียกว่าเปตาเป ต, เปตมันหิวทุกอย่างบางคนบางท่านนะกินอิดกินหิ น, หนกินดินกินทรายมีไหมใช่บางท่านบางคนนะกินสป้สเปดมันเห็นอะไรมันกินหมดพวกนี้เ้าเรียกพวกเปต อสุรกายหมายถึงพวกสะดุง้งหวาดกลัวเช่นไปฆ่าคนหรือไปลักของเขาเนี่ยเจอตำรวจสะดุ้งไหมสะดุ้งเลยอ่ะมียาบ้าเขาจับได้ยพวกนี้มันจิตใจมันถึงแสดงดูคนกินยาบ้าตาจะแข็งตาไม่อ่อนน้อมอย่างพวกเราตาแข็งทื่อเลยมันจะแข็ง มันเหมือนก็จะเพ่งกินตับกินไตเรายอย่างนั้นนะพวกนี้พวกนี้ตาแข็งจิตแข็งทำอะไรมันไม่รู้บาป บ, บุญคุณโทษขนาดพ่อแม่ยังฆ่าได้เลยเห็นไหมพวกอสุรกายเป็นกายที่หวาดวันกายที่ทำผิดพวกนี้ไม่มีสุขมีแต่ทุกข์กับทุกข์กับทุกข์ก มีสุขเหมือนกันสุขชั่วครั้งชั่วคราวชั่วประเดียวประดาวแต่ความทุกข์มันมากเพราะอะไรเพราะมันทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาเรียกว่าอสุรกายสัตว์เดรัจฉานยมเห็นสัตว์เดรัจฉานไหมอยู่ใกล้กับภูมิมนุษย์ไหมบางคนเอาหมาไปนอนด้วยมีไหมโอ้โห กินก็หมาเงี้ยนั่นแหละมันเริ่มแล้วจิตใจมันจะขออภัยนะนพูดตามธรรมไม่ได้ว่าใครนะจิตใจมันเป็นหมาตั้งแต่เป็นคนแล้วหลังจากตายมันจะเป็นอะไรมันก็ยึดติดเป็นหมาคือเราติดอะไรก็จะไปเป็นอันนั้นติดลูกติดหลานติดพ่อติดแม่ติดพี่ติดน้องติดอะไรก็แล้วแต่จิต จิตดวงสุดท้ายเนี่ยก่อนตายนะมันจะมีเจ็ดขนาดจิตปุบปุบปๆบ ป, บปบขเขาเรียกว่ากรรมนิมิตเราจะเห็นคนเดียวนะคนอื่นไม่เห็นนะบางคนบอกกลัวแล้วกลัวแล้วเนะี่ยพวกนีพวกชอบฆ่าฆ่าโคฆ่ากระบือฆ่าหมูอะไรเงี้ยมันก็จะมาเอาชีวิตเป็นคืนเต้ รู้ว่าเราใกล้ตายเนี่ยมันจะมาทวงคืนบางคนก็บี้มือตัวเองบี้จนเลือดออกเลยพวกนี้พวกชอบชนไก่ชอบชนไก่บางคนก็หวาดผวาวันร้อนเอากูลงไปนอนข้างล่างทีเนี่ย ไปนอนไอ้ที่เราล้างถ้วยล้างชามอ่ะน้ำมันก็ลงไปนะมันแฉะไงเอาแกไปนอนตรงนั้นแกชอบก็เย็นสบายเห็นไหมละ่ะจิตเรามันร้อนไงคือจิตนรกนั่นแหละ <c oughs> บางคนหมอก็เปิดไฟสว่างทั่วโรงพยาบาลเลย บอกมืดมืดจังเลยมืดจังเลยมืดเปิดไฟทีเปิดไฟทีแสดงว่าแกมองไม่เห็นจิตแกมืดแล้วมืดเนยไปสู่อะไรไปสู่สัตว์เดรัจฉานเป็นช้างเป็นม้าเป็นโคเป็นกระเบือเป็นจิ้งคือเป็นไส้เดือนเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเป็นจระเข้เป็นปลาเป็นนกอะไรกันแล้วสัตว์เดรัจฉานคำว่าเดรัจฉาน มันเป็นขวางสาตัตว์ุกชนิดที่หัวหัวขวางแผ่นดินอ่ะนะเราเรียกว่าเดรัชานมนุษย์หัวขึ้นฟ้าแล้วขวางแผ่นดินมนุษย์พวกเร า, น, า, รา น, นีออ่หัวขึ้นฟ้าแล้วขวางแผ่นดินเออหัวขึ้นฟ้ามนุษย์แบบว่าผู้มีใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขน ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนคนนี่เขาเขียนยังไงลองเอาเขียนยันชนะให้หลวงพ่อพ่อฟังตัวหนึง่งมีตัวอะไรคนเขียนยังไงตายแล้วพุโทโธธรรมโมสังโฆเลยขอควายใช่ไหมล่ะแล้วก็นอนหนูใช่ไหมล่ะ ระหว่างควายกับหนูคิดดูดิมันอยู่ด like ้วยกันจะเป็นอะไรอย่างเขาเรียกว่าคนเขาสะกดอย่างนั้นเนี่ยแปลออกมาแล้วควายกับหนูเอาง่ายๆคนอย่างคนที่มาถือศีลแปดเนี่ยโยมแถวหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าพวกเทพเปรูบุตรเทพธิดา เขามีศีลแปดไงเนี่ยศีลของเทวดานันเนี่ยศีลแปดเนี่ยขณะที่เรามาปฏิบัตินั่งหลับตายไปเลยเนะี่ยโอ้พึ่งไปนู้นนะเกิดบนสวรรค์หกชั้นเลยชั้นจาตุมชั้นยามาชั้นดาวดึงชั้นดุดนดสิตชั้นนิ ม, มานรตีชั้นปารณิมมิสวัสวัตดีสวรรค์มันก็เป็นชั้นชั้นเหมือนตู้อย่างเงี้แหละเหมือนตู้เนะี่ย นึงชั้นสองชั้นสาชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นพ่อผก็ไม่เคยไปนะแต่ก็พูดตามตำลาเขาเขียนเขาบรรยายไว้อย่างนั้นใครทำบุญมากก็ขึ้นไปสู่ชั้นสูงสูงสูงสูงสูงสูงไปใครทำบุญนิดหน่อยก็อยู่ชั้นต่ำไป ชั้นจะาตุมเนทวดาอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขาตามต้นไม้เยอะแยะไปเลยในว่ดตั้มพาเราเนี่ก็เยอะอเทวดาชั้นต่ำนรกมีกี่ภูมิหลวงพ่อพูดไปเมื่อครู่เนี่ยมีกี่ภูมิหนึ่งนรกสองเปรตสามมัสุรกายสี่ สัตว์เดรัจฉานจําไว้ลูกสัตว์ในโลกนี้มีเกิดกี่จำพวกสี่จำพวกชาราพูชะเกิดในคันเกิดในท้องแม่เห็นไหมสัตว์ทุกชนิดที่เกิดในท้องแม่เรียกว่าชาราภูชะอันทชะแปลว่าเกิดในไข่สัตว์ที่เกิดในไข่มีไหม เช่นอะไรเอานึงสองสามสี่ทำไมความรู้มันสั้นจังนะ <c oughs> ไก่เป็ดงูจระเข้จิงจกทุกแกเนี่ย <c oughs> เกิดในไข่แต่กันนั่นแหล เรื่ออันทชะสังเสทะชะนะสัตว์ที่เกิดในที่ชื้นแฉะเช่นอะไรเช่นตัวหนอนตัวหนอนมันเกิดในอะไรเกิดในคูดโอปาติกะผุดเกิดขึ้นเลยเช่นขบวดพระเนี่ยเรากู่สวดสวดจบ สงทั้งหมดสาธุความปรากฏเป็นพระก็ปรากฏขึ้นเลยก็เาเรียกโอปาติกะเหมือนกันเราตายปุ๊บเนี่ยเราไปผุดขึ้นบนสวรรค์เลยนะชั้นใดชั้นหนึ่งที่เราทำบุญไว้ไปเสวยทิพมสมบัติแต่ถ้าเราทำชั่วมากๆ ก, ก็ไปเกิดเหมือนกันไปเกิดในนรก หลังจากตายไปเนี่ยมีคนมีสองจำพวกมารับเรานะจำพวกที่หนึ่งคือพวกโยมพบาล น, นุ่งผ้าสีแดงแดงเงีนะเอาไปนะเอาดวงวิญญาณเราไปไปไปไปขึปป้นศาลก็มีศาลเมืองผีก็มีศาลไปดูระหว่างบาปกับบุญเนี่ยอันไหนมันมีมากกว่ากันถ้าบาปมากกันลงไป บุญมากกว่าขึ้นไปประเภทที่สองคือเทพประบุเทพธิดามารอรับเลยอันเนี้ยเขามารับเพื่อจะไปเสวยผลบุญมีวิมานอยู่สบายแต่อีกสองพันปีไฟจะไม่โลก ไฟมาเลยกันจะไม่โลกมันไม่ตั้งแต่นระกโล ก, โลกมนุษยโลกเทวโลกไม่หมดสามโลกแต่พรมมาโลก <c oughs> ไม่ไม่ไม่ถึงฉะนั้นพรมมาโลกเนี่ยคนจะไปได้ต้องได้สมาธิก่อนต้องทำสมาธิให้ได้ในชาตินี้ก่อนตายเข้าสมาธิได้อย่างนั้นไปเกิดในพรมมาโลกเลยพึ่ง อายุเป็นหมื่นหมื่นปีโลกนี้สลายไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งพระพมก็อยู่ข้างบนเ <c oughs> นี่ยพูดตามธรรมนะฉะนั้นคนเราเนี่ยไปเกิดทั้งหมดสามสิบเ็ดที่ฟังไว้นะหลังจากตายเนี่ยไปเกิดในที่สามสิบเ็ดที่นระกสีที่ มนุษย์หนึ่งที่สวรรค์หกที่เป็นเท่าไหร่สี่หนึ่งหกเป็นเท่าไหร่ตายแล้วสิบเบ็ดชั้นพรมอีกยี่สิบที่เป็นเท่าไหร่สามสิบเบ็ดที่เห็นไหมละ่ะชั้นพรมสิบหกอารูปพรมสี่ยี่สิบ กับเบเป็นสามสบเอดเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ได้ไปตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสนะเราก็จะวนเวียนเกิดอยู่แค่เนี้ยลบสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หพรหมยี่สิบหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เนะี่ยจนกว่ากิเลสมันจะหมดไปจากใจพอกิเลสมันหมดไม่มีสิ่งปรุงแต่งใจ มันก็ไปสู่พนิพานคือดับเย็นไม่ต้องเกิดอีกแล้วดีไม่ไม่ต้องเกิดหรืออยากเกิดอีกเ อ, อ, อไม่อยากเกิดดีแล้วลูกเกิดมาอีกเกิดเป็นอะไรมั่งที่ไม่ทุกข์เนาะเป็นเจ้าโลกก็ทุกข์นะ ทุกต้องไปลบกับประเทศนูประเทศนี้เป็นมหาเศรษฐีทุกไหมทุกเป็นคนรวยทุกไหมทุกเป็นคนจนไม่ต้องอธิบายเลยทุกเพราะไม่มีจะกินน่บางคนต้องไปอาศัยวัดบางคนนะโชคดีนะพุทธศาสนาเนี่ย เรามีวัดเป็นที่อาศัยถ้าเราอดข้าวไม่มีข้าวจะกินเนี่ยมากินวัดได้เลยฟรีแต่ประเทศนอกไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีก็คือไม่มีอดก็คืออดไม่ก็ไปขโมยเขาแต่วัดเราเนี่ยมาขอข้าววัดกินได้วัดตัวประเทศไทยมีกี่วัดนะประมาณเจ็ดหมื่นกว่าวัดพระสงฆ์ไทยมีกี่องค์อะสามแสนกว่ารูปเดยนะ คนติดคุกมีเท่าไรโอ้มีเป็นสิบสิบล้านเลยมันไม่สมดุลกันเลยนะโอ้โหโการบวชเป็นพระง่ายง่ายบวชที่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ง่ายเลยนะโดยเฉพาะวัดธรำพระไม่ง่ายแล้วเดี๋ยวนะี้ต้องตรวจประวัติเช็คประวัติรับเลขประชาชนมาเช็คไปที่กรมตำรวจเลย คนไหนมีคดีไม่บวชให้ถ้าบวชหลวงพ่อก็ผิดวัดก็ผิดเช็คหมดเลยเดี๋ยวได้ให้ตู้เอกเช็คหมดเลยยกเว้นแต่โยมมาถือศีลเนี่ยก็ไม่ไปไร่นะบวชสามวันหน้าวันสิบวันแต่ถ้าเราบวชเป็นพระขออภยัย ถ้าบวชเป็นพระบวชเป็นเดนยอยู่นานๆนานเนี่ยต้องตรวจประวัติหมดเลยมาตรวจเตอร์ทีหลังแล้วลำบากแล้วก็เนี่ยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มาจับติดคุกกันวุ่นวายหมดแล้วก็เนี่ยอันนี้เพื่อความปลอดภัยไม่ใช่ว่าโอ้ยทําผิดแล้วก็หนีบางคนมันมาจากไกลๆนะมาจะปักใต้เนอะ เอมันทำไมผ่านมาหลายร้อยหลายพันวัดละเกินทำไมวัดแถวบ้านไม่มีบวชเนี่ยที่มาจากภาคอีสานสุดๆนูน้นเมื่อก่อนเราง่ายหลวงพ่อง่ายไงเดี๋ยวนี้ไม่ง่ายแล้วต้องทำตามกฎหมายบ้านเมืองไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้สมาธิฐิในชั้นที่สองคือเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี ทุกขังอริยสัจจังความทุกข์นี่เป็นความจริงอันประเสริฐจริงไหมทุกคนมีทุกข์ไหมไม่มีใครไม่มีทุกข์อะทุกมากทุกน้อยทุกปานกลางทุกตั้งนั้นนะลูกทุกตัวนั้นที่เกิดขึ้นทุกตัวนั้นที่ตั้งอยู่ทุกตัวนั้นที่ดับไปนี่เป็นธรรมะของ พิษุนีพระผู้หญิงนะสมัยครั้งพระพุทธเจ้ามีพระผู้หญิงด้วยนะศ<ม>ีลมากกว่าพระศีลสามร้อยสิบเอดสมัยนี้ไม่มีแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าสเสด็จ ด, ดับขันธ์ตาปริยพานที่มีก็บวชกันเองอะไรกันเองผู้หญิงเอาห่เอาผ้าผ้าไปห่มถ้าแจ้งตำรวจจับผิดนั่นอ่ะเขาเรียกว่าแต่งตัวเรียนพระ โดนปรับแล้วไม่ก็ติดคุกติดตารางมันมีประเทศอินเดียโอ้โหมีคนไทยอยากบวชเป็นพระไปเอาจีวรพระไปหม่มแหมนั่งเอเตเลยนะไอฉันกาแฟโอ้โหมันจะเสมอพระเลยนะีว่าเนี่ยคนมันอยากมันอยากไปอินเดียเที่ยวเที่ยวที่หกเนี่ยอันตรายหลวงพ่อติดโลกมาเลย สกปกไปพักที่วัดเนรัญชลาใกล้แม่น้ำคงคาแนวะพวกแขกเนี่ยที่สุดเลยหมายถึงความสกปกนะที่สุดเลยพวกเราสกปกก็ยังน้อยแขกนี่มันที่สุดแห่งที่สุดเราเนี่ยไป ก็ด้วยความปรารถนาดีจะไปจะไปกินร้านอาหารพระที่วัดเขาเอาแม่มาขายเ็าไปเช่าเช่าตลาดแขกอยู่ก็ขายอาหารไทยมันอยู่ลึกเหมือนก็ใช้ดินอะใช้ดินโปะโปะโปะปะเป็นร้านอาหารได้กินข้าวที่นั่นสองวันมั้งโหกลับมาติดโลกมาเลย โรคปอดไม่ดีหมอช่วยรักษาหายไปลนแล้ ว, ลวอันตรายอย่าไปคิดว่าไปกินไปช่วยเหลือคนไทยด้วยกันทาร้านอาหารที่มันสะอาดก็โอเคนี่มันสกปกไปตอนเรากินมันหิวเนี่ยมันไม่คิดอะไรหรอกแต่ไปดูในโรงครัวมันโอ้ยสะปะสะเปดสกปกไม่ไหว หทุกสองสมุทัยคือเหตุได้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาสามหนึ่งกรมตัณหาสองวิภวตัณหาสามภาวะตัณหาเนี่ยตัณหาสามนี่ทำไม่เกิดทุกข์ฉะนั้นเราต้องใช้นิโรดนิโรธมาดับตัณหาสามนี่กรมตัณหาภวะตัณหาวิภวตัณหากรรมตัณหาคืออยากได้ กรูปสวยๆอยากฟังเสียงเพราะๆอยากดมกลิ่นน้ำหอมอยากลิ้มรสอร่อยๆอยากสัมผัสที่ถูกใจใเรียกว่าการมาคุณห้า ก, การมาตนาภาวะตนาคืออยากได้พบสูงสูงสูงขึ้นอย่างพวกเราเนี่ยที่โยมมาปฏิบัติธรรมอยากได้พบสูงขึ้นคืออยากเปลี่ยนพบจากมาเป็นมนุษย์อยากจะเป็นเทวดาอย่างเงี้ยสมมุตินะหรืออยากจะเป็นพระพรหมอย่างเงี้ยสมมุติมาฝึกสมาธิกันเนี่ย เนี่ยเขาเรียกว่ายึดติดในภพภูมิวิภาวตนาคือผลักออกไม่ชอบไม่อยากได้อะไรเนี่ยประมาณนี้จัดเป็นตัณหาหมดเลยฉะนั้นจะดับตัณหาได้ไงต้องฝึกสมาธิให้จิตมันสงบให้จิตมันสงบให้จิตมันสงบเหมือนกับเราหินไปทับหญ้าเนี่ยตราบใดหินหนักๆยังทับหญ้าอยู่เนี่ย หญ้ากลุ่มนั้นจ ะ, จะเจริญงอกงามไหมจเจริญไหมไม่จเจริญเพราะโดนหญ้าทับอยู่เมื่อไหร่ยกหินออกฝนตกหญ้านั้งงอกไหมงอกงามเช่นเดิมจิตใจเราก็เหมือนกันเข้าในสมาธิอยู่ในสมาธินี่เหมือนกับหินทับหญ้า ไม่มีความโรคความโกรธความหลงชึ้งเย็นสบายนั่งได้เป็นวันเลยสมัยก่อนหลวงพ่อหนุ่มๆนอะนั่งได้นานยืนได้นานเดินจงกรมเนีเดินจงกรมในธรรมมือข้างบนนูนเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาเดินเดินเหมือนกับมันจะลอยไปเลยแต่ความจริงมันไม่ลอยไปไหนเนอะแต่มีความรู้สึกว่ามันจะลอย กายมันเบาจิตมันเบากายและหูตาจิตและหูตาจิตมันเบาสบายฝึกไปจนเกิดสมาธิเ้าเรียกนนโรธะนิโรธก็สุดท้ายคือมัคอริยมัคมีองค์แปดนะข้อที่หนึ่งที่สองที่สามนี่เป็นปัญญาข้อที่สี่ที่ห้าที่หกนี่เป็นศีล ข้อที่เจ็ดที่แปดนี่เป็นสมาธิเห็นไหมล่ะสรุปแล้วมรรคมีองค์แปดก็คืออยู่ในหมวดศีลสมาธิปัญญานั่นเองมีเวลาเขาจะพูดให้ฟังต่อไปมีใครสงสัยอะไรไหมสงสัยแม่ถามได้ทุกคนเลย